บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนยะแห่งคำถามของมนย์ทั้งสิบกคนที่มากราบทูลถามโดยนยะที่แตกต่างกันนั่น เมื่อว่าโดยเป้าหมายแล้วก็เน้นไปที่นิพพานเป็นหลักเพราะท่านเหล่านั้นเป็นนักบวชออกบวชเพื่อมุ่งแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าโมฆธรรมคือธรรมะที่จะนำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะนั้นคำถามถามของท่านจึงมุ่งไปที่จุดสูงสดุดในข้อนี้พระตถาจารย์แสดงว่า แต่ละท่านที่ปฏิบัติไปตามคำวิสัชนาของพระพุทธเจ้าแต่ละบทจะสามารถบรรลุมรรคผลได้นิพพานเช่นเดียวกันแต่โดยโวหารที่ทรงแสดงจะทรงแสดงแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของปัญหาประการหนึ่งตามพื้นฐานอัตยาสัยของผู้ฟังอีกประการหนึ่ง แต่ก็ไปสรุปรวมไว้ในจุดเดียวกันคือความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เรียกว่นนานิพพานดังนั้นเมื่อมองถึงหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในระดับใดก็ตามจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าก็อมุ่งที่จกะจกจัดความทุกข์ของบุคคลในชั้นนั้นนั้นแสดงว่า ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเป็นบุคคลที่เดินทางายหน้าสู่นิพพานแต่บนเส้นทางเหล่านั้นผู้ปฏิบัติสามารถสัมผัสนิพพานระดับหนึ่งซึ่งทรงใช้คำตามนัยยะของธรรมคุณห้าข้อหลังที่เรียกว่าสันธิติกังนิพพานัง คือนิพานที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตัวเองอาการลิกังนิพานังนิพานที่บุคคลจะสัมผัสได้โดยไม่เจาะจงการหรือไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นต้นคำว่านิพานเป็นภาษาที่อธิบายยากเพราะเป็นเรื่องของสัมผัสรงทำนองใกล้ๆกิดการอธิบายรสของอาหารต่างๆหรือรสของสิ่งต่างๆ เอาก็ะจิงจะอธิบายให้ถูกตรงจริงๆอธิบายไม่ได้เป็นไวแต่บุคคลนั้นบุคคลนั้นจะลิ้มชิมอาหารนั้นด้วยตัวเองจึงจะรู้รสชาติของอาหารเหล่านั้นรสแห่งธรรมหรือรสของนิพพานก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่นั้นเพื่อให้เกิดเพื่อเกิดความเข้าใจ้วยการยอมรับนับถือในสถานะหนึ่ง พระเจ้าถึงทรงใช้คำที่อธิบายนิพพานไว้เป็นนั้นมากประมาณสี่สิบกว่าคำเดวยกันแต่ว่าถ้อยคำแต่ละคำนั้นได้บ่งบอกถึงการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นจนมีความประนีตสงบขึ้นไปโดยลำดับข้อที่จะกล่าวในที่นี้คือข้อที่ว่า การเข้าไปสงบระงับแผงสังขารทั้งปวงเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของนิพพานพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายรือแม่แต่พระประเจกับพระพุทธเจ้าจะมีพระทัยและจิตใจสงบจากสังขารทั้งปวงบางครั้งท่านจึงเรียกตามลักษณะอาการของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีต่อสัตว์และสังขารทั้งหลายว่า ตาที่โนคือเป็นผู้คงที่ไม่วันไหวไปด้วยความรักและความชังด้วยความโศกด้วยความดีใจเป็นต้นเย่ยงสามัญชนทั่วไปท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ากิเลส ท, ที่เป็นเหตุยึดถือในสัตว์และสังขารทั้งหลายของท่านได้หมดสิ้นไปแล้วเมื่อหมดไปความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะอาศัยความยึดถือเป็นเหตุ ก็ไม่เกิดขึ้นแก่ท่านคำว่าสังขารเป็นภาษา ร, มรวมๆที่ถึงใช้ในความหมายแตกต่างกันเป็นมากเช่นว่าสังขารสองเป็นการมองในรูปหยาบๆและแก่สังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองมหมายถึงสิ่งที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกาย ที่ีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดกัดเกลืองของบุคคลทั้งหลายบางครั้งท่านก็เรียกว่าวัตถุการามบ้างแต่ในความเป็นวัตถุการามคือวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ความปรารถนาความพอใจนั่นเองแล้วก็อาจจะเป็นวัตถุแห่งความอาฆาตพยาบาทอาจจะเป็นวัตถุแห่งความหลงด้วยก็ได้ ในกรณีที่เราเกิดความรักใคร่ปรารถนาพอใจในสิ่งนั้นๆเมื่อได้สมตามความปรารถนาก็จะมีความอยากได้เพิ่มขึ้นเมื่อไม่สมตามความปรารถนาก็จะเสียใจเรื่อง จ, จะถึงกับความโศกและถ้าดุนแรงก็อาจจะเกิดมาเป็นรูปของการประทุษร้ายตนเองเป็นต้น สังขารเหล่านั้นจึงเป็นอัปยาคตะธรรมคือธรรมะที่เป็นกลางๆในตัวของเขาเองก็เป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นในแง่ของนารีาสตรัตว์เขาก็คือกลุ่มของทุกษัตริย์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แต่แตกลับไปตามเหตุตามปัจจัยปัญหาสําคัญที่ทําให้บุคคลไม่สามารถ สงบประงับในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นได้ก็เพราะว่าใจของบุคคลที่เข้าไปยึดถือในสิ่งเหล่านั้นจะยึดถือในแนวอะไรก็ตามถ้าหากว่าเป็นการเพิ่มปูนของกิเลสจิตใจของบุคคลก็จะขึ้นขึ้นลงลงไปตามความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของสิ่งเหล่านั้นซึ่งโดยปกติแล้วเวลา แสดงในเชิงหลักของการปฏิบัติในส่วนของสมถกรรมฐานพระเจ้าจะทรงใช้คำว่าอภิชาโทมัตเป็นหลักทั้งนี้เป็นเพราะไรเพราะว่าเป็นอารมณ์ที่สัมผัสได้ง่ายส่วนรายละเอียดผลกระทบที่ต่อเนื่องกันมาจากอภิชาและโธมัตนั้นส่วนหนึ่งบุคคลสัมผัสได้ตัวเองและส่วนหนึ่งก็ต้องศึกษาในรายละเอียดต่อไป อภิชาก็คือความเพ่งเล็งโลภอยากได้ในสิ่งเหล่านั้นแม้ความว่าสิ่งเหล่านั้นแกก็เป็นอย่างที่เกเป็นแต่ใจคนไปกำหนดว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแล้ความรู้สึกในสิ่งนั้นก็จะเกิดมาในรูปของการ ah an an ขวายคว้าแสวงหาตนุถนอมบูรณแผนป้องกันนาราาักษาและเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงแตกดับไปก็เกิดเป็นความโศก แสดงว่าใจของบุคคลไม่ยอมจุดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งแม้แต่จุดที่ควรจะปรงให้ตกได้ก็ไม่ยอมปรงให้ตกอย่างในกรณีกอความแตกดับซึ่งเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายพอสังขารแตกดับไปหรือเปลี่ยนแปลงไปจิตใจของบุคคลไม่สามารถที่จะควบคุมไว้ได้ก็เกิดความโศกความเสียดายเมื่อสิ่งเหล่านั้นแตกสลายไปหรือเปลี่ยนแปลงไป คนนี้เพิ่งสังเกตว่าถ้าเพิ่มขึ้นคือถ้าเป็นไปตามที่ใจปรารถนาใจก็ไม่สงบคือวิ่งพร่านไปเพื่อเพิ่มเติมเพื่อได้มามากยิ่งขึ้นพอไม่เป็นไปตามใจปรารถนาก็มีความโศกความเสียใจที่ท่านเรียกว่าขึ้นขึ้นลงๆตามอำนาจของสิ่งภายนอกที่มีการถกเถียงกันว่า วัตถุเป็นตัวกำหนดจิตใจหรือว่าจิตใจเป็นตัวกำหนดวัตถุซึ่งข้อนี้ถ้ามองในรายละเอียดหากเป็นการสัมผัสวัตถุครั้งแรกเซนเราเห็นรูปในครั้งแรกผู้ปฏิบัติธรรมจะสังเกตได้ว่าในขณะนั้นจะไม่มีอะไรแต่อาจจะเกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรดีหรือไม่ดี ถ้าเกิดความสนใจขึ้นมาเมื่อมีคนชี้แจงแสดงถึงลักษณะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นใจของบุคคลจึงจะ ก, กำหนดว่าน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเพราะในกรณีนี้ถ้าเป็นชั้นแรกจริงๆใจจะเป็นตัวกำหนดวัตถุไม่ใช่วัตถุเป็นตัวกำหนดจิตใจแต่ถ้าในช่วงต่อๆมา หมายความว่าบุคคลได้เก็บอารมณ์เหล่านั้นไว้ด้วยอำนาจของความรักความชังแล้วเมื่อไปพบกับอารมณ์เหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งดูไปคล้ายๆกับตัววัตถุเป็นตัวกําหนดจิตใจแต่จริงๆแล้วจิตใจก็คงเป็นตัวกําหนดอยู่นั่นเองท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะถ้าบุคคลได้สังเกต ด, ดูบางครั้งฉันยกตัวอย่างว่า อาหารหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลเคยชอบรับประทานแต่พอดีวันนั้นอิ่มใชแล้วอาหารเหล่านั้นก็ไม่สามารถกระตุ้นความอยากให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลได้เป็นไวแต่ใจเขามีความอยากจนเกินเหตุเราเป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นตัวการใหญ่จึงอยู่ที่จิตใจไปกำหนดวัตถุเรื่องอารมณ์เหล่านั้นทาให้ไม่มีความสงบขึ้นมาได้ เวลาอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่ออารมณ์เหล่านั้นไม่เกิดใจของบุคคลจะมีความรู้สึกไม่อยากให้มันเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้เสือสอเส่อมสลายแตกดับไปพอเสื่อมสลายแตกดับไปก็เกิดส ม, มนัติยินดีนี่ก็เป็นลักษณะของการแล่นไปของจิตที่ไม่สงบด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือกำหนดในแนวของโลภะดุราคะก็ไม่สงบ กำหนดในแนวโทสะหรือก็ไม่สงบก็กำหนดในแนวของโมฆะก็ยึงไม่สงบกันใหญ่เพราะใจจะฟุ้งซ่านซัดสายเครือบแคลงสงสัยในที่สุดก็จะพลันไปในรมเหล่านั้นโดยไม่มีทิศทางอะไรแต่ทีนี้การทำใจให้สงบในสัตว์และสังขารทั้งหลายเหล่านั้นในชั้นสูงสุด ผูเข้าถึงธรรมะระดับนี้ก็เป็นพระยาบุคคลระดับพระราหันไปเพราะระดับพระโสดาบันนั้นที่จริงท่านก็ยังขึ้นขนลงลงอยู่เหมือนกันตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าราคะและโทสะนั้นท่านยังละไม่หมดตัวการที่ทําให้ใจแข็งมากที่สุดก็คือราคะหรือราคะหรือโลภและโทสะคือราคะกับโลภะนั้นเป็นกิเลสประเภทเดียวกันกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหา เพียงแต่จุดเน้นแล้วก็ให้เกิดความเข้าใจนั้นถ้าก็เน้นไปเฉพาะกลุ่มคนเวลาสอนชาวบ้านทั่วไปพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าโลภะแต่ถ้าสอนพระจะใช้คำว่าราคะส่วนโทสะนั้นจะใช้เหมือนกันคืออาการซึ่งเกิดสืบเนื่องมาจากความไม่พอใจแต่เมื่อบุคคลได้ อาศัยการศึกษาธรรมของพระอริยะได้พินิพิพพจารณาธรรมของพระอริยะจนปฏิบัติธรรมของพระอริยะบุคคลก็จะพบว่าสามารถสัมผัสความสงบประงับในสัตว์และสังขารทั้งหลายลงไปได้อย่างน้อยบางอย่างหรือบางระดับข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าเมื่อบุคคลมีความรู้บังเกิดขึ้นเข้าใจเหตุเข้าใจผลมากยิ่งขึ้น สามารถจะจำแนกแยกแยะถึงสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนมากขึ้นก็ จ, จะบรรเทาความกำหนัดในอารมณ์ต่างๆลงได้เป็นนั้นมากโดยใช้เป็นปัญญาพิจารณาถึงความเหมาะความควรความจำเป็นแล้วก็สงบรืะ ง, งักใจแม้ในชั้นของการดำรงชีวิตแต่ว่าจิตใจของบุคคลมีปัญญา แม้จะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนชักชวนในซื้อหาวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นนั้นมากก็ตามแต่คำโฆษณาเหล่านั้นจะผ่านการกลั่นกรองการพินิจพิจารณาจากบุคคลเหล่านั้นเมื่อตรวจสอบวิเคราะห์วินิจฉัยดูแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นหรือแม้จะมีความจำเป็นแต่ก็ไม่มีกำลังจะซื้อหรืออาจจะมีกาลังจะซื้อ แต่เห็นว่ายังมีสิ่งอื่นยังใช้สอยได้จุ ก, ก็ไม่ยอมซื้อแต่คำโฆษณาชนเชิญชวนสักชวนเหล่านั้นก็ไม่อาจที่จะเพิ่มความอยากให้บังเกิดขึ้นได้ซึ่งก็แสดงได้ว่าเฉพาะในเรื่องนั้นเราก็สงบอารมณ์ลงไปได้และแม้แต่การปฏิบัติธรรมะส่วนอื่นๆหากว่ า, วาบุคคลมีได้จริงๆ เราสามารถสงบระงับในสัตว์และสังขารต่างหลงไปได้ฉันยกตัวอย่างว่าบุคคลมีหิริคือความละอายต่อบาปโยตะปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปมีการกระทําของบุคคลบางคนบางหมู่กระตุ้นโลภะบ้างกระตุ้นโทสะบ้างแต่อาศัยหิริความละอายต่อบาป ตปาความสะดุ้งกลัวต่อบาปปิดกั้นความคิดเหล่านั้นเอาไว้ก็ไม่ยอมให้ทำอะไรไปตามอานาจของการยั่วยุและย่วยวนจากภายนอกใจมันก็สงบความกำหนัดความขัดเคืองลงไปได้หรือบางครั้งเป็นเรื่องของการใช้คันติธรรมคือความอดกลั้นความอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายตั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา การกระทาจากภายนอกเรือลมจากภายนอกแก่การจะเป็นไปตามลักษณะของแก่แต่ใจคนก็อดกลั้นอดทนเอาไว้ก็สามารถสงบในเรื่องเหล่านั้นลงไปได้แต่เวลาปฏิบัติที่ประณีตขึ้นไปถ้าตามปกติได้ใจคนก็อดจะแกว่งไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประสบกับความพี่ปัิ ของสัตว์ได้สังขารทั้งหลายแท้ๆก็เป็นที่สรุปรวมของความสศกที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลแต่ถ้าหากว่าบุคคลมีอุเบกขาธรรมคือทำใจมัธยับเป็นกลางได้ปรงตกได้พาใจกฎเกณฑ์ของกรรมรสัตว์ทั้งหลายนั้นก็จะเป็นไปตามกรรม ไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามก็าจประสบความทิกบาตรตามกรรมของเขาใจของบุคคลก็จะสงบได้ไม่ให้เกิดความยินดีและความยินร้ายไม่ให้เกิดความยินดีในกรณีที่ศัตรูประสบความพิบัติไม่ให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจในกรณีที่ญาติมิตรสหายของตนประสบความพิบัติก็แสดงว่าสามารถสงบ วัตถุอันเป็นทิตะสงบความโศกอันเกี่ยวเนื่องกับวัตถุอันเป็นทิตต่งแห่งความโศกได้ดังนั้นเวลาปฏิบัติก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนมาถึงระดับของกรรมฐานสมถะกรรมฐานนั่นก็มีลักษณะอย่างนั้นในข้อนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้เน้นที่ข้างนอกมากเกินไป แต่เน้นที่การทําใจให้สงบอยู่ในอารมณ์ที่ทรงแสดงเอาไว้ก็อใดข้อหนึ่งเป็นการใช้คุณสมบัติของจิตที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นเองแต่ก็มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในจุดที่ให้เกิดความสงบจากนิวรธรรมทั้งหลายในการสงบจากนิวรนั้นพึงสังเกตว่าพวกกามาชันนั้นก็ประรบสัตว์สังขาร พยาบาทส่วนมากจะประรบสัตว์นอกจากคนที่ไม่ค่อยจะปกติจึงอาจจะประรบวัตถุสิ่งของได้คือมีพยาบาทในวัตถุสิ่งของถนนหนทางตอไม้ต้นไม้ได้แต่าตามปกติแล้วก็จะเกิดพยาบาทในคนเป็นส่วนใหญ่ในสัตว์นั้นรองลงมาส่วนคนที่ไม่ค่อยจะปกติก็อาจจะโกรธในก้อนอีกก้อนอินได้ดังกล่าวแล้ว ดนามิธาส์นั้นเป็นเรื่องส่วนตัวคืเกิดขึ้นจากสุขภาพกายสุขภาพจิตของตัวเป็นหลักอุตจักุกจะปรกสัตว์และสังขารข้างนอกวิจิกิจฉาปรกสัตว์และสังขารข้างนอกด้านการปฏิบัติสมถกรรมฐานจึงมุ่งทําใจให้สงบอยู่ที่อารมณ์อย่าใดอย่างหนึ่งเช็ดลมหายใจเข้าออกเป็นต้น เมื่อใจไประลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจนเป็นสมาธิใจนั้นจะรับรู้อารมณ์ได้ในขณะเดียวเพียงอย่างเดียวเพียงแต่ว่าขณะเร็วไปเท่านั้นแต่เมื่ออยู่กับสมาธิเจ็ดอย่างต่อเนื่องได้เหนิวรที่ประรสัตว์สังขารทั้งหลายก็สงบไป ใจของบุคคลก็ไม่ขึ้นลงลงไม่ขึ้นขึ้นลงล ง, ลงเฉพาะอย่างน้อยที่สุดในขณะนั้นบางอย่างก็ส่งสอนในรูปของการพินิพพิจนาเพื่อบุคคลสามารถสัมผัสคุณลักษณะของนิพพานอีกระดับหนึ่งซึ่งก้อนนี้ที่จริงเป็นคำที่ได้ยินได้ฟังกันอยู่สมเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการงาน อันเป็นที่ตั้งแห่งความโศกเพราะอาศัยการพลัดพรากสูญเสียล้มหายตายจากของคนอันเป็นที่รักคำกล่าวที่เราเรียกว่าชักภาบางสกุลหรือคาถาบางสกุลที่จริงเป็นพระพุทธดำรัสที่พระเจ้าทรงแสดงในโอกาสต่างๆเพื่อบุคคลสามารถสงบใจตัวเองได้ที่เกี่ยวกับสัตว์หรือเกี่ยวกับบุคคลก็ตาม และต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานท้าสกะเทวราชก็กล่าวถึงคาถานี้แล้วต่อมาก็ใช้กล่าวใช้สั่งสอนกันอยู่เรื่อยๆแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าคนมักมองเป็นเรื่องอัปมงคลคล้ายๆเป็นเรื่องน่ากลัวไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดไม่กล้าแสดงจนบางยุคบางสมัยหรือบางกลุ่มคน ไปแยกธรรมะออกเป็นสองฝ่าย <c oughs> ธรรมะที่ใช้สวดใช้แสดงในงานที่เกี่ยวกับความตายความสูญเสียก็เรียกว่างานอาวมงคลและงานพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเกิดการแก่แการแต่งงานเป็นต้นก็กลายเป็นงานมงคลการแบ่งเหล่านั้นถือว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะไม่มีในพระพุทธศาสนา ผุ้สาสนาไม่ได้ถือว่าธรรมะนั้นเป็นอภิมงคลธรรมะจะเป็นกุศลก็ร่อนย่อมจะเป็นมงคลอยู่ตลอดไปและในเรื่องของงานศพต่างๆที่จริงก็เน้นธรรมะที่เป็นกุศลฉะนั้นแสดงว่าอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปดวยธรร ม, มิโนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา อุปชิตตวาในรุสันติเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคือให้ดูในจุดของความเกิดความดับเป็นการพิจารณาสัตว์สังขารในแนววิปัสสนากรรมฐานนั่นเองคราวนี้เป็นสังเกตว่าการพิจารณากรรมฐานนั้นเราจะดูการเกิดการตั้งอยู่และการดับดูเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้ระลึกทันหมดตั้งสามช่วงแจะแท้จริงเมื่อเรามองในแง่ของขณะ ในขณะที่เราเรียกว่าตั้งอยู่นั้นที่จริงมันก็ดับอยู่อย่างความตายที่เราเรียกคณิกะมรณะคือเราก็ตายกันอยู่ทุกขณะเช่นหายใจเข้าเป็นเกิดหายใจออกก็เป็นตายหรือว่าในขณะที่นั่งอยู่นี้เอเซนต่างๆภายในร่างกายก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแตกลับไปอยู่เรื่อยๆก็ เ, เป็นคณิกะมรณะ เป็นการตายเป็นการแตกดับอยู่ทุกขณะแต่จะพูดออกมาก่อนนั้นคงจะพูดได้ยากก็พูดยาวๆไว้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่พอดูไปดูมาที่จริงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเพราะก็จริงมันเป็นความดับแต่นั้นท่านจึงมองเป็นสามช่วงอย่างในมาสติประฐานที่สอนในช่วงหลังของแต่ละข้อนั้นในชั้นแรกก็ดูการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการดับไป พอช่วงที่สองเมื่อเราเห็นหมดทั้งสามช่วงแล้วก็ดูเกิดขึ้นและกระดับไปเปอร์เนชั่นสองช่วงนี้แล้วก็ดูดับดับดับดับไปเรื่อยๆดูเฉพาะที่บรรดับคล้า ย, ายๆกับ น, น้ําไหลลงจากที่สูงมันตกอยู่ตลอดระยะเวลาในชีวิตของคนของสัตว์ทั้งหลายมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเกิดขึ้นกระดับไปอยู่ตลอดอย่างกระแสไฟกระแสน้ําตามที่ทราบกันนี่ก็คือวิปัสสนากรรมฐาน ถ้ปรับใจได้ยอมรับได้เห็นว่าสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงจริงๆเกิดขึ้นก็เป็นธรรมดาคือเกิดขึ้นโดยเหตุปัใจจัยให้เกิดพอเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปบาการที่ไปทุกไปโศกกับสิ่งที่เกิดดับสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดับไปแล้ว แต่ความโศกความเสียใจความคับแค้นใจความอาฆาตปยาบาติไม่ยอมให้ดับแล้วก็กลายเป็นตกตะกอนอยู่ภายในใจเป็นแผลใจเป็นมุนทินใจความเดือดร้อนภายในใจก็บังเกิดขึ้นให้ลองสังเกตว่าปัญหาส่วนใหญ่ในชีวิตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นจากใจที่ไม่ยอมสงบระงับในสัตว์และสังขารทั้งหลายเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนานแล้วเป็นที่รักแข่งเป็นที่ชังมานานแล้ว วันนั้นก็หมดไปแล้วเหตุการณ์นั้นก็ดับไปแล้วแต่บุคคลก็ไปคว้าไปเก็บไปอุ้มอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ภายในใจมาเศร้าโศกมากรัดรุ่มมาขัดเคื่องมาปวดูถมาซึ่งซึมจนบางครั้งถูกความโศกกัดกร่อนใจซึมเศร้ามากข้าวก็กลายเป็นเฉาตายไปก็มีนี่ก็คือโรคของความทุกข์ ที่ไม่ยอมสัมผัสคุณลักษณะของนิพพานในระดับหนึ่งจึงถ้าหากว่าสามารถสัมผัสได้ปัญหาเหล่านั้นก็มันเป็นปัญหาเฉพาะมันเองแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้แก่ใครๆการที่สร้างปัญหาให้เพราะคนไปรับมาเพราะที่จริงก็ทำนองเกี่ยวกับเชื้อโรคอะไรต่างๆคล้ายๆกันไอ้เชื้อโรคนั้นที่จริงบุคคลไปสร้างขึ้น ไปทําให้มันเข้ามาสู่ร่างกายมันก็อยู่ของมันบางทีก็ไปรับประทานเข้ามาเดี๋ยวมันเข้ามาสู่ร่างกายทั้งส่วนต่างเราแสดงว่าเมื่อก่อนมันก็อยู่ของมันแต่เราก็ไปเกี่ยวข้องกับมันมันก็มันเข้าสู่ร่างกายเราข้สู่ร่างกายเราก็แสดงวิถีภัยออกไปแต่ถ้าเราเขาจัดจะได้หรือว่าหลีกห่างออกไปได้เจ้าโรคเหล่านั้นมันก็อยู่อย่างที่บรรจุพวกกิเลสพวกอารมณ์ทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้น คาถาบทหนึ่งที่นั่นเรียกว่าคาถาบังสกุลเป็นก็มาพูดมาแสดงกันเวลามีพิธีเรียกว่าเาจริญอายุหรือบังสกุลเป็นในคาถาเหล่านั้นก็สอนให้เกิดความสงบระงับในสัตว์แต่สังขารทั้งหลายที่ท่านว่าอาจิรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนาะอัตวิงอธิเสติจักนอนลงเหนือแผ่นดิน จุดโ ด, โดอเปตวิญญาโนผวิญญาณออกไปจากร่างแล้วในรัฐทางวะกรลิ่งกระังก็จะมีคาเหมือนกระท่อนไม้หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้นั่นคือสัตว์และสังขารอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดความถือแต่แท้จริงแล้วผูวิญญาณออกจากร่างก็จบกันรอคอยการเวลาเผยหน้าผุพังไปตามกัน แต่ว่าหากว่าบุคคลยอมรับได้ในจุดนี้ก็จะสามารถสงบระ ง, งับเวลามีการเกิดแตกตับสูญเสียแตกสลายของสิ่งต่างๆอาไปได้ด้งการปฏิบัติธรรมทั้งหมดจึงมุ่งสู่นิพพานแต่ว่าใครจะสัมผัสไดระดับใดก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางปรมมีธรรมของบุคคลเหล่านั้น และความเพียพยายามที่บุคคลได้ประกอบกระทําในปัจจุบันเมื่อใดบุคคลได้สัมผัสการสงบระงับในสัตว์และสังขารทั้งหลายลงไปได้ในระดับใดก็ตามเมื่อบุคคลเชื่อมโยงไปก็จะเห็นว่าความสุขความสงบที่เกิดขึ้นนี้ที่สัมผัสอยู่ในขณะนี้ได้เกิดขึ้นจากการรู้จักปล่อยประละวาง ความยึดมั่นถือมั่นในสัตว์และสังขารทั้งหลายเหล่านั้นลงไปในระดับนั้นแต่นั้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงสรุปความทุกข์ซึ่งเป็นการมองอีกด้านหนึ่งประทรงใช้คำว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วความทุกข์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้านั่นเองนั้นการถ่ายถอนปล่อยวางให้ได้ตามเหมาะตามควรแก่ฐานะแก่โอกาสแก่บุคคลแก่กรณี ที่บุคคลทำได้ในชีวิตประจำวันก็จะช่วยให้สัมผัสคุณลักษณะของนิพพานคือความสงบเย็นได้ตามสมควรแก่การเข้าถึงธรรมะเหล่านั้นของบุคคลแต่ละคนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป